รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ก, กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณรู้ฟังครับนี่คือเดือนสิงหาคมความจริงแล้วเป็นฤ ด, ดูฝนนะครับแต่ว่าปีนี้ปแปลกๆหน่อยเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลคุณรู้ฟังและผมก็คงจะได้ยินข่าวเรื่องของ บางพื้นที่นั้นระดับน้ําในแม่น้ําในเขื่อนนั้นลดลงไปเยอะบางที่ก็จะเข้าขั้นขาดแคลนน้ําต้นข้าวก็อาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําไปหล่อเลี้ยงดังนั้นก็อยากให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลช่วงนี้ขอฝนมากๆเถอะครับคุณผู้ฟังฝนตกมาเยอะๆแต่ว่าไม่เอาพายุนะครับเอาแต่ฝนอย่างเดียวตกมาสักนิดหนึ่งตกมาเยอะๆหน่อยก็ได้ เพื่อสร้างความชุ่มช่ำแล้วก็อยากให้ฝนกระจายไปตกตามภาคต่างๆนะครับประเภทที่ตกเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆนี่ไม่เอาละเพราะว่าสร้างความเถิดร้อนนะครับเอาละครับวันนี้พูดมาเสยืดยาวก็กำลังจะบอกว่ารายการมรดกไทยวันนี้เป็นเรื่องราวของฝนนะครับเริ่มจากมรดกเพลงไทยวันนี้นำเพลงฝนตกที่หน้าต่าง เพลงที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะมากเป็นผลงานของโลโซคุณผู้ฟังจะได้รับทราบประวัติของวงโลโซนะครับมาถึงช่วงที่2อมรดกวิถีไทยคุณผู้ฟังครับวันนี้จะพูดถึงคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของน้ําฝนวิธีการเก็บรักษาแล้วก็สังเกตเรื่องของน้ําฝนที่เราจะนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับ สำหรับในช่วงที่3มรดกภูมิปัญญาไทยวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงในหัวข้อหยาดฝนฟากฟ้ามาห่มดินคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวของฝนหลวงแล้วก็วิธีการทำฝนหลวงนะครับหลังจากนั้นมรดกทางภาษาวันนี้มีนิทานมาฝากเป็นนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับฝนเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าฟังเพลินๆนะครับ และทั้งหมดทั้ง4ี่ช่วงนะครับก็มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับสายฝนมาประกอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องอยู่กับผมให้ครบทั้ง4ช่วงในวันนี้นะครับเป็นธรรมเนียมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบทั้ง4ช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ช่วงที่1มรดกเพลงไทยนะครับคุณผู้ฟังครับย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ10กว่าปีก่อนนะครับสําหรับเพลงฝนตกที่หน้าต่างเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับฤดูฝนนะครับหลายๆท่านเวลาฝนตกนะครับแล้วก็มองผ่านไปยังหน้าต่างแล้วถ้ามองผ่านไปมีทุ่งนามีต้นไม้ก็จะรู้สึกสดชื่นสบายใจนะครับ วันนี้เพลงฝนตกที่หน้าต่างซึ่งเพลงนี้เขียนคําร้องโดยเสกสรรสุพิมัยทํานองโดยเสกสรรสุพิมัยเรียบเรียงโดยเสกสรรสุพิมัยพิเศษเหมาหมดเลยนะครับทั้งคําร้องทํำนองแล้วก็เรียบเรียงคุณฟังรู้จักโลโซดีแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบประวัติโดยละเอียดของโลโซนะครับโลโซเนี่ยเป็นคําภาษาอังกฤษสะกดว่า LOSO นะครับ เป็นวงดนตรีร็อกสัญชาติไทยซึ่งในอดีตเคยสังกัดค่าย More Music ของ GMM Grammy นะครับก็ถ้าถามถึงแนวเพลงก็เป็นดนตรีแนวร็อกเป็นร็อกที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายเป็นที่เรียกว่าร็อกติดดินก็ได้นะครับส่วนสไตล์เพลงก็เป็น Rock and Roll แบบกลิ่นอายไทยแท้เลยนะครับลักษณะเพลงของโลโซจะมีจุดเด่นก็คือเนื้อหาเพลงนี้ฝังง่ายเข้าใจ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีศิลปินที่เขาแจ้งเกิดเรียกว่าเป็นนักร้องหน้าตาดีนะครับแต่ประเภทนักร้องหน้าตาธรรมดาแต่มีฝีมือที่ประสบความสําเร็จเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่นะครับดังนั้นโลโซได้ออกอัลบั้มชุดแรกมาก็ประสบความสําเร็จคราวนี้คุณผู้ฟังครับเรามาดูจุดเริ่มต้นนะครับของวงโลโซสมาชิกก็ประกอบไปด้วยคุณเสกสรรสุข พ, พิมาย หรือพี่เสกนะครับโดยพี่เสกของเราเข้าสู่วงการดนตรีอาชีพนะครับโดยการประเวณเล่นดนตรีอาชีพตามผับในหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนงานช่างไฟฟ้าที่วิทยาลัยสารพัด ช, ช่างอยู่ที่นู่นนะครับนครราชสีมาจากนั้นก็ได้เจอกับเพื่อนๆนักดนตรีในอาชีพเดียวกันอย่างเช่นคุณอภิรักษ์สุขจิตหรือคุณกิติศักดิ์ โคดคำคุณพิรัตนี่ชื่อรัตแล้วก็กิติศักดิ์นี่ชื่อใหญ่ซึ่งทั้ง3คนก็มีความรักในเสียงดนตรีเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงแนวดนตรีอัลเทอร์เนทีฟก็จะนึกถึงวงเมอดนดอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นในปลายปีพศ2537นหะครับหลังจากที่พวกเขาตั้งวงดนตรีโลโซขึ้นมาล้วก็ได้เดินทางเข้ามายัางกรุงเทพเพื่อตระเวนเล่นดนตรีตามผับ ต, ต่าง แต่ว่าก็มีเหตุผลบางประการนะครับที่ทําให้วงโลโซที่มีคุณเสกคุณรัฐและคุณใหญ่เนี่ยต้องแยกย้ายกันไปโดยเสกเนี่ยได้ไปเล่นดนตรีตามผับในกรุงเทพนะครับแล้วก็จับพัดจับผูนะครับได้เป็นนักดนตรีที่เป็นเขาเรียกว่าวงดนตรีแบ็กอัพให้กับปียวัตรเปี่ยมเบี้ยนะครับคุณเปียวัตรเปี่ยมเบีย้ยส่วนรัฐก็ได้ไปเล่นดนตรีประจําที่ต่างจังหวัดแล้วก็แยกย้ายกันไป หลังจากนั้นพวกเขาได้ทำเดโมเพลงไปเสนอตามค่ายต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่มีค่ายไหนที่จะรับเอาผลงานของเขาพิจารณาเพื่อจะนำไปพัฒนาเป็นเพลงเพื่อออกอัลบั้มเนื่องจากว่าทั้ง3าคนนั้นก็ดูเป็นคนธรรมดาๆรรก็อาจจะสวนกระแสในยุคนั้นที่นักร้องต้องเป็นดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือต้องหน้าตาดีนะครับ คุณรู้ฟังครับคนเราจะดังยังไงก็ไม่สามารถมีใครปิดการได้นะครับวันหนึ่งนะครับเศกเนี่ยได้ไปรู้จักกับคุณศักดิก์สิทธิ์แท่งทองเพราะว่าคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรือคุณแท่งเนี่ยได้ทําอัลบั้มชุดเด็กหลังห้องเมื่อต้นปีพศ2539หลังจากนั้นคุณแท่งศักดิก์สิทธิ์ก็ได้แนะนําให้เศกนะครับไปเอาเดโมที่เขาทาแล้วเนี่ย ไปเสนอกับค่ายเพลง More Music ซึ่งค่ายเพลง More Music ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งของบริษัท GMM Grammy กรหลังจากที่ค่าย m o r ์มิวสิได้พิจารณาผลงานของโลโซและว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพจึงได้ให้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดแล้วก็ออกอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่า Low โล Society ในเดือนเมษายนพศส5 3 9นะครับ ปรากฏว่าอัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดแฟนเพลงที่เป็นเพลงร็อกนี่ติดใจในความเรียบง่ายแล้วก็ดูเป็นคนธรรมดาแต่ว่าดนตรีนั้นฝีไม้ลายมือแล้วก็เพลงนั้นเพราะๆหลายๆเพลงทีเดียวนะครับต่อมาในปีพศ2540ครับคุณผู้ฟังโลโซก็มีผลงานโลโซสเปเชียลก็เป็นเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง จากกระยาสีแดงคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับสาเหตุที่อัลบั้มชุด น, นี้ดังมากเพราะว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีซปเปอร์สตาร์ในสมัยนั้นก็คือมอสปฏิพานแล้วก็ทาทายังที่มาเป็นคู่พระคู่นางที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าในอัลบั้ม l o โซสเปเช a ยลเนี่ยจะมีด้วยกัน5เพลงแต่ว่าเพลงจากกระยาสีแดง เป็นเพลงที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองทีงเดียวนะครับและมาถึงจุดสูงสุดเมื่อปีพศ2541โลโซได้ออกอัลบั้มชุดที่2ชื่อโลโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งชุดนี้เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายทำให้โลโซเป็นที่รู้จักในวงกว้างและกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ ในอัลบั้มชุดนี้มียอดขายเขาบอกว่าเกิน2ล้านตลับเรียกว่าทุบสถิติเพลงร็อกนะครับเพลงไทยที่เป็นเพลงร็อกเนี่ยทุบสถิติยอดขายได้อย่างถล่มทลายทีเดียวในอัลบั้มชุดนี้ก็มีเพลงอย่างส้มซานนะครับยกตัวอย่างหรือเพลงเลิกแล้วต่อกันแล้วก็มีเพลงแม่ซึ่งหลายๆท่านประทับใจมากกรุ๊ฟฟังครับทั้งหมดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโลโซ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนที่มีฝีมือมีความพยายามวันหนึ่งก็จะประสบความสาเร็จวันนี้เรามาฟังเพลงดีๆจากโลโซกันนะครับและนี่คือเพลงฝนตกที่หน้าต่างขอเชิญ ท, ท่านรับฟังครับ que vous êtes belle. เมื่อวันจันที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าต่างหากมีเธ อ, ข, อข้างก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอ ก็คงเข้าที่เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอมีใจให้สักหน่อย เพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอก็สุขสุดทั่วใจ oh oh oh oh. มีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอมีใจให้สักหน่อยเฝ้าตารอคอยเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอก็สุขสุดหัวใจ ใจ รายการโมรดกไทยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้หวังผลทางการค้าและเชิงธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลและเพลงจากแหล่งต่างๆที่นำมาประกอบในรายการนี้ศูนย์นวัตรกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 www.radio.rmutt.ac.th โทร 026917738-9 คุณผู้ฟังครับวันนี้ทั้งรายการเราก็จะพูดถึงเรื่องราวของฝน ผมคิดว่าทั้งรายการพูดถึงเรื่องของฝนเนี่ยหลังจากนั้นขอให้คืนนี้แล้วก็วันต่อไปนะครับมีฝนตกมาเยอะๆตกมาทุกภาคเลยเราก็จะมีน้ำใช้มีน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็อย่างหนึ่งฝนตกก็ดีนะครับทำให้ชุ่มฉ่าชุ่มเย็นแต่ว่าไม่เอาพายุนะครับไม่เอาพายุเพราะว่าพายุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเอาแต่ฝนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้ คุณฟังครับในช่วงมรดกวิถีไทยก็จะพูดถึงความคุ้นเคยที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับวันนี้คำว่าฝนนะครับผมไปค้นมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บอกว่าฝนก็หมายถึงน้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดเม็ดลักษณะใช้นับนะครับหมายความว่ารอบปีครัวปีนะครับยกตัว อ, อย่างเช่นเขาบอกว่าควาย3ฝน นั่นคือควายที่มีอายุ3ปีเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา18ฝนอันนี้รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าอายุ18ปีนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นเคยกับสำนวนฝนชะช่อหมะม่วงก็คือฝนที่ตกในช่วงก่อนเดือนเมษายนฝนชะลานก็ได้นะครับหรือฝนสู้ก็ได้หรือที่เราคุ้นเคยง่ายๆครับฝนตกกระแช่งฝนแล้งก็ด่า หรือฝนตกขี้หมูไหลฝนตกอย่าเชื่อดาวฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรือฝนตกไม่มีเขาทำนองนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในขั้นแรกถ้าฝนตกนะครับคนโบราณคนสมัยก่อนก็จะรีบหากรละมังหาภ า, าชนะมารองน้ำนะครับเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็สามารถใช้ดื่มใช้กินใช้อุปโภคบริโภคได้ดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับโดยส่วนมาก เราก็จะรองน้ำฝนที่ไหลลงมาจากหลังคาแต่สมัยนี้เราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าหลังคาของเราจะสะอาดมากพอหรือไม่เพราะว่าในบางครั้งก็อาจจะมีเศษใบไม้มีฝุน่นมีละอองแล้วก็โดยเฉพาะในเมืองที่เขาเรียกว่ามีควันพิษนะครับมีทั้งสารเคมีที่ระเหยขึ้นไปในอากาศเวลาฝนตกลงมาหลายๆคนก็อาจจะไม่สบายใจนักที่จะเอาน้ำฝนมา ดื่มนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่ดังนั้นถ้าฝนตกนะครับฝนตกครั้งแรกๆเลยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรองน้ําฝนเอามารับประทานนะครับควรจะปล่อยให้มันชารางหลังคาไปก่อนหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ทกําความสะอาดหลังคาเพื่อที่จะรอรับน้ําฝนในคราวต่อไปนะครับ หลังจากที่หลังคาบ้านเราเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นที่สก็ต้องตรวจสอบรางน้ําแล้วก็หลังคาว่ามีอรอยชํารุดไหมมีสนิมขึ้นไหมมีอะไรเสียหายหรือเปล่ามีนกไปทํารังไหมมีหนูอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังเพื่อความแน่ใจแล้วก็ข้อสําคัญก็คือน้ําฝนเนี่ยถ้าใครได้เคยชิมน้ําฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติอร่อย แล้วก็สดชื่นบางคนก็จะรองน้ำฝนแล้วก็เก็บไว้ในโอ่งนะครับรักษาอย่างดีปิดไม่ให้จิงจกลงไม่ให้สัตว์อะไรลงไปทั้งสิน้นแล้วก็ตักเอามาแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ามาดืม่มถ้าสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนี้เวลาแขกไปใครมาก็ตักน้ำเย็นๆจากโอ่งนี่แหละเอามาเลี้ยงแขกก็ถือว่าเป็นวิถีไทยที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ ก็มีคนก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่าน้ำฝนที่เราจะใช้ในการดื่มเนี่ยก็ต้องมีข้อระมัดระวังดังนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุ ป, ปโภคบริโภคเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยจัดว่าเป็นน้ำที่สะอาดแต่ก็สามารถเกิดสิ่งสกปรกได้ง่ายเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวด ล, ล้อมของสถานที่ตั้งบ้านเรือนหลังคาเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะถ้าตั้งใกล้กับ โรงงานอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจะมีสารพิษปนเปื้อนในน้ำได้แล้วก็มาดูว่าภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำฝนนะครับเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดไหมแล้วก็แถวย่านบ้านนั้นมีมลพิษทางอากาศมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าเกิดภาวะฝนกรดนะครับซึ่งมีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 ก็จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแลวก็สิ่งก่อสร้าง อย่างมากทีเดียวดังนั้นหลายๆคนที่อยู่ในเมืองก็ไม่นิยมที่จะบริโภคน้ำฝนแล้วนะครับเพราะคิดว่ามีสารปนเปื้อนมากมายทีเดียวแต่ว่าในต่างจังหวัดนี่หลายๆท่านหลายๆบ้านผมว่า 70-80% ก็ยังนิยมที่จะเอาน้ำฝนกักเก็บไว้ในโอง่งในตุ่มเพื่อไว้ใช้ในยามขาดแคลนนะครับดังนั้นการที่จะเก็บน้าฝน ดูถึงเรื่องความสะอาดของน้ำฝนเนี่ยก็ต้องใช้ดุลพินิษนิดนึดนงแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยรองน้ำฝนเอาไว้ใช้ในการซักผ้าล้างจานหรือถ้าเก็บดีๆกรองดีๆนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในการปรุงอาหารหรือว่าใช้ดื่มก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับน้ําที่หยดลงมาจากฟ้าแต่ว่าข้อสําคัญก็ต้องดูแลรักษา แล้วก็ดูว่าน้ำฝนที่เราจะใช้นั้นมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่มั่นใจนะครับผ่านการกรองกรองเสร็จแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้สำหรับในอันนี้ในกรณีที่จะใช้ดื่มนะครับฝนก็ยังให้คุณให้ประโยชน์มากมายต่อชีวิตมนุษย์อย่างเราเรานะครับ เพลงที่ทรงคุณค่าสาระทางภาษาและภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจคุณสามารถรับฟังได้ในรายการมรดกไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลื่น FM 89.5 MHz เเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตพีพิตพัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th วิทยุราชมังคลธัญญาุรี Airframe 80.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วผมพูดถึงความนิยมชมชอบในการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ยามขาดแคลนต้องนึกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนั้นประปลาอะไรก็ไม่เคยสะดวกอาศัยน้ำฝนน้ำคลองนี่แหละในการดำรงชีวิตมาคราวนี้คุณผู้ฟังคงทราบแล้วนะครับว่าบางปีบางช่วงเวลาก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือว่าตกน้อยนะครับ แต่ว่าเราก็โชคดีเพราะว่ามีโครงการในพระราชดำริโครงการฝนเทียมนะครับวันนี้ในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยครับคุณผู้ฟังจะพูดถึงฝนหลวงหยาดฝนฟ้าฟ้ามาห่มดินนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับซึ่งได้เผยแพร่เรื่องราวของฝนเทียมเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับในปีพศ2498 คราวที่พระบาทสมเด็จพระประมินท ร, รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ได้เสด็จพระราชล้ำเนินเยี่ยมประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงเห็นความทุกข์ยากของรัศดรแล้วก็ฤดูฝนเนี่ยมาล่าช้าเกินไปนอกจากมาล่าช้าแล้วก็ยังหมดเร็วเกินไปซึ่งในระหว่างที่เสด็จทรงเยี่ยมเยอนประชาชนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช ท, ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยทางเอกสารด้านวิชาการ ทางอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การดัดแปลงนะครับการแปลของสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศนะครับเมื่อพระองค์ทรงมั่นพระทัยว่าจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดําริฝนหลวงก็ถือกําเนิดขึ้นอย่างจริงจังและก็ได้พระราชทานแนวคิดนี้แก่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์เทวกุลซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยนะครับนวัตรกรรมต่างๆทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นและหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์นะครับได้หาลูทางที่จะทําให้เกิดการทดลองในระบบปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้หลังจากนั้นหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนะครับได้รับพระราชทานแนวคิดนี้มาท่านก็ได้ศึกษาอย่างจริงจัง แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระประสงค์ข้อนี้ท่านได้ถึงขนาดนะครับฝึกขับเครื่องบินด้วยตนเองในขณะเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชได้ทรงตั้งสมุติฐานในการทําวิจัยแล้วก็ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการแต่ทว่าในขณะนั้นนั้นเราอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีแล้ก็ด้านต่างๆนะครับ มาถึงในปีพศ2512กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชซึ่งกรมการข้าวได้ให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์นะครับคุณผู้ฟังซึ่งหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ได้นำความขึ้นกราบบงคมทูลว่ามีความพร้อมแล้วดังนั้นในปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำการทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในวันที่ 1-2 ถึงกรกฎาคมปีพศ2512ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโดยมีการทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้งขนาดไม่เกิน1ลูกบาทนิ้วเข้าไปในยอดเมฆที่สูงไม่เกิน1 0 0 0 0มืนฟุตก็ทำให้กลุ่มเมฆทดลองรวมตัวกันหนาแน่น แล้วก็เก่ะยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วและจากการที่มีการติดตามผลทั้งภาคพื้นดินนะครับมีการยืนยันว่าเกิดฝนตกลงมาจริงๆงนับเป็นนิมิตหมายที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับในการทาฝนหลวงนั้นก็จะมีสารฝนหลวงที่ใช้ บแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกนะครับก็เป็นสารฝนหลวงสูตรร้อนก็จะมีคุณสมบัตินะครับเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศหรือทำปฏิกิริยากับน้ำจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นส่วนมากก็ใช้ในสภาพของผงละเอียดซึ่งสารฝนหลวงสูตรร้อนที่ใช้ในปัจจุบันก็มีด้วยกัน2ชนิดนะครับคุณผู้ฟัง ก็คือ 1.6 สูแคลเซียมคลอไรด์แล้วก็ 2.8 สูตรแแคลเซียมออกไซด์คุณผู้ฟังครับการเรียกฝนตกอย่างเป็นทางการก็มีชื่อเรียกที่น่าสนใจนะครับเช่น 1. ฝนมรสุมและฝนภูเขาฝนชนิดนี้ก็จะตกเป็นเวลานะครับตกเป็นประจำมีปริมาณตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางเว้นในกรณีที่ฝนที่ลงมาแรงมาก แล้วก็มาถึงชนิดที่สองเรียกว่าฝนร่องมอรสุมก็จะตกไม่เป็นเวลาแล้วก็ปริมาณที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแนวประทะนะครับแล้วก็ข้อ 3. ฝนที่เกิดจากแนวประทะอากาศเย็นก็จะมีฝนฟ้าขนองรุนแรง 4. นะครับฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสะลมตะวันตกก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงบางครั้งก็จะมีลมงวงช้างหรือพายุทอร์นาโด ที่เขาเรียกว่า F1 นั่นเองอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับชื่อเรียกของฝนแต่ละประเภทข้อที่5ฝนที่เกิดจากการเคลื่อนกระแสลมตะวันออกก็เป็นฝนที่ตกปลยอยๆไม่ค่อยมีลมกันโชคแล้วก็มีปริมาณพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อที่6ฝนที่เกิดจากพายุไซโคลน ตั้งแต่ความกดอากาศต่ำจนถึงพายุใต้ฝุน่นก็จะมีฝนตกหนักพายุรุนแรงแล้วก็เกิดน้ำป่าแล้วก็มีอุทกภัยอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกของฝนอย่างเป็นทางการครูฝักอาจจะได้ยินชื่อเหล่านี้นะครับเวลาเขาพยากรณ์อากาศเรื่องราวของฝนก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังง่า ย, ายว่าขั้นตอนการทาฝนเทียมก็มีดังต่อไปนี้ คือข้อแรกก็คือเก่อกวนก็เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้งในการปฏิบัติการนะครับในขั้นตอนนี้ก็มีการมุ่งใช้สารเคมีที่จะไปกระตุ้นให้มวลอากาศที่ลอยตัวขึ้นเนี่ยสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบทำให้เกิดเมฆ ซึ่งระยะเวลาที่ปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ก็ไม่ควรจะเกิน10นาฬิกาของแต่ละวันต่อไปข้อที่2เลี้ยงให้อ้วนก็จะเป็นขั้นตอนของเมฆที่กำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งก็เป็นระยะสำคัญมากในการปฏิบัติการเพราะว่าจะต้องเพิ่มพลังงานให้แก่ Updraft น, นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นระบบชักไอน้าหรือความชื้นขึ้นสู่เมฆ ให้ยาวนานออกไปแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์การทำฝนควบคู่กันไปนะครับต่อไปโจมตีนะครับขั้นที่3ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีปฏิบัติการฝนหลวงคุณรู้ฟังครับเมฆหรือว่ากลุ่มฝนก็จะมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็นน้ำฝนได้ภายในกลุ่มเมฆ ก, ก็จะมีเม็ดน้าขนาดใหญ่มากมายหากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆนี้ ก็จะมีเม็ดน้ำเกาะติดปีกนะครับกระจังหน้าของเครื่องบินก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์มากๆเลยนะครับเพราะว่าจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของอัฟ r ราฟที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือทำให้อายุของอั d r ราฟเนี่ยหมดไปสำหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ก็ต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทาฝนซึ่งก็มีอยู่2ประเด็นนะครับคุณผู้ฟังคือ เพิ่มปริมาณฝนและเพื่อให้เกิดการกระจายการตกของฝนก็เป็น3ขั้นตอนเรื่องของการทำฝนเทียมคุณรู้ฟังครับนับตั้งแต่วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์ทรงได้ศึกษาคิดค้นจนสามารถทำให้เกิดฝนตกได้ในพื้นที่ที่เกษตรก ร, ร, กรประสบปัญหาภัยแง้งจากความทุ่มเทพระวรากาย องคทรงเหนื่อยยากในช่วงที่เสด็จพระราชลพเนินได้เยี่ยมประสบนิกรยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับบางแห่งก็เต็มไปด้วยความธุระกันดารยากลำบากคุณผู้ฟังครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของฝนหลวงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานให้เจวดาฟ้าเด่นช่วยดลบดานให้ฝนตกตกสักระยะหนึ่งตกทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่แห้งแลง้งที่กำลังขาดแคลนน้ำที่ต้นข้าวแล้วก็พืชกำลังจะล้มตายก็อยากให้ประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์นะครับชุ่มฉ่ำมีฝนตกต้องตามฤดูกาล <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลผลิตทางการเกษตรส่งออกไปขายยังต่างประเทศหรือขายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ประชากรของเราก็จะมีไรายได้ทุกคนก็จะมีความสุข จากการที่ไม่ต้องลำบากลำบนอีกต่อไปนะครับ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 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนเป็นนิทานนะครับนิทานทุกเรื่องต้องเริ่มต้นว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางฟ้าละอองน้ํานะครับชื่อหล อ, องน้ําลงมาเดินเล่นในโลกมนุษย์สงสัยจะเบื่อละอยู่บนสวรรค์แล้วไม่ใช่มาเดินธรรมดานะครับรู้ฟังเพราะว่านางฟ้าละอองน้ําได้พบรักกับเจ้าชายผูผาผู้ซึ่งหล่อ สง่างามนะครับเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องกลับสวรรค์นางฟ้าละอองน้ำไม่ยอมกลับครับผู้ฟังเทพเจ้าก็ได้ออกตามหานางฟ้าละอองน้ำจนเจอแล้วก็สั่งให้เธอกลับสวรรค์แต่นางยืนยันที่จะอยู่ในโลกมนุษย์เห็นไหมครับอนุภา ข, ของความรักเทพเจ้าจึงโกรธมากจึงสาปให้เจ้าชายภูพากลายเป็นภูเขา นางฟ้าละอองน้ําก็ถูกสาบให้กลายเป็นก้อนเมฆและทั้งคู่จะไม่มีสิทธิ์ได้แสดงความรักหรือสัมผัสร่างกายของกันและกันตลอดไปฟังแล้วก็เศร้าจังเลยนะครับเรื่องราวต่อเลยนะครับเขาบอกว่าทั้งคู่จะไม่มีวันที่ได้สัมผัสร่างกายของกันและกันตลอดไปจนกว่านางฟ้าละอองน้ําจะยอมกลับไปอยู่บนสวรรค์ แล้วก็ห้ามลงมาพบกับเจ้าชายภูผาอีกต่อไปแม้การเวลาจะผ่านไปหลายพันปีนะครับรู้ฟังแต่ความรักของระหว่างนางฟ้าละอองน้ํากับเจ้าชายก็ก็ยังรักกันเหนียวแน่นเจ้าหญิงละอองน้ํายอมที่จะเป็นก้อนเมฆล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าส่วนเจ้าชายภูผาก็ยอมที่จะเป็นภูเขาขอเพียงแค่ ทั้งสองคนนะครับได้เห็นซึ่งกันและกันตลอดไปคุณผู้ฟังครับทุกครั้งเมื่อมีเสียงดังมาจากฟากฟ้ามนุษย์เรียกเสียงนั้นว่าฝาร้องเพราะเขาคิดว่าเสียงนั้นดังมาจากท้องฟ้าแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเสียงนั้นมีจุดกําเนิดมาจากยอดเขานะครับเป็นเสียงของใครก็เป็นเสียงของเจ้าชายภู้ผาทุกครั้งที่เขา คิดถึงเจ้าหญิงละอองน้ำเขาก็จะตะโกนเรียกหาแต่เธอเมื่อเจ้าหญิงละอองน้ำได้ยินเสียงของเจ้าชายเธอก็จะลอยตัวงลงมาใกล้เพื่อโอบกอดเจ้าชายภูพาด้วยความคิดถึงแต่ยิ่งใกล้ยิ่งอยากสัมผัสกายของเจ้าชายมากเท่าไหร่มนต์ดำของเทพเจ้าก็จะทำให้ปุ่ยเมฆที่ขาวสะอาดนั้นกลายเป็นเมฆสีดา และทันทีที่สัมผัสตัวเจ้าชายก้อนเมฆ ก, ก็จะกลั่นตัวเป็นฝนเป็นสายฝนลงมาโปรยปลายจากท้องฟ้าสู่พื้นดินสายฝนที่เรามองเห็นนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือน้ําตาของเจ้าหญิงละอองน้ํานั่นเองเป็นน้ําตาที่แสดงความคับแค้นคับแค้นใจในความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็มีคนเขาก็เลยแสวว่านี่คือเหตุผลที่ มิวสิกวิดีโอหลายๆเพลงนะครับชอบให้พระเอกนางเอกเดินตากสายฝนเพราะว่ามันเป็นภาพที่เท่ดีได้อีกอย่างหนึ่งมันก็ได้บรรยากาศด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของตำนานเกี่ยวกับเรื่องฝนคุณฟังก็สามารถไปเล่าให้เด็กๆฟังได้เรียกว่าฟังเพลินๆ น, นะครับคุณผู้ฟังครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของนิทานเรื่องเล่าตำนานต่างๆก็เป็นความบันเทิงที่ฟังแล้วเพลิน อาจจะมีสาระแฝงอยู่แต่ก็อาจจะมีความรู้บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความบันเทิงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทีเดียวนะครับ งังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 m ม z คุณผู้ฟังครับเมื่อได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้ก็แสดงว่ารายการมรดกไทยก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ วันนี้เราเต็มอิ่มกับเรื่องราวของฝนเรื่องราวของฝนเทียมเรื่องของตำนานเรื่องฝนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้รวมทั้งเพลงลหลายเพลงที่เกี่ยวข้องกับฝนผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขได้ทั้งสาระแล้วก็บันเทิงนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบฟังรายการนี้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ fm 89.5 m ิบ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้แบบสดๆก็ได้หรือฟังย้อนหลังผ่าน Facebook ของ 89.5 ดหรือแม้กระทั่งฟังสดๆแบบออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ 89.5 ฟังวิทยุนะครับชื่อสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีเท่านี้เราก็ติดต่อสื่อสารกันได้แล้วนะครับวันนี้ผมขอรัฒนาคุณพระศรีรัตนาตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบันดาลให้ฝนตกนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกมีเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนในสระในแม่น้ำแล้วก็ในลําคลองเพื่อที่ว่าพี่น้องชาวไทยจะได้นาน้าเหล่านั้นมาใชในการอุปโภค บริโภคนะครับคุณผู้ฟังครับสัญญานะครับว่าเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช